วันนี้เป็นวันเสาร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2568เป็นวันพระวันปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธ ผู้มีความปรารถนาวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้ใช้เวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของวันพระนี้ให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าวันนี้คือวันเริ่มต้นของวันพระ คือตอนตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าวันนี้เป็นเวลาเริ่มต้นของวันพระให้มีการปฏิบัติมีการศึกษาสลับกันไปไปจนถึงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นของวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเขตของวันพระคืหนึ่งคืนหนึ่งวันกับหนึ่งคืน ให้เราปล่อยวางภารกิจทางโลกภารกิจเกี่ยวกับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทพภะชนิดต่างๆให้เอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเต็มรูปแบบคือเป็นคือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ไม่ไปทำภารกิจเป็นอื่นทางโลกด้วยการถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยเพราะศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเอาเวลาที่เราเคยหาความสุข จากผู้เสียงกินรถพลธภพชนิดต่างๆมาให้กับการปฏิบัติธรรมมาให้กับการเจริญส ม, มถะภาวนาและมิปัสนาภาวนาที่จะทำให้จิตใจดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้การภาวนาเป็นงานสำคัญ เป็นงานที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องคือต่อเนื่องด้วยการเจริญสติไม่ว่าจะเป็นสมถะภาวานาวิปั ส, สนาภาวานาจําเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมถะภาวานาได้ ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญปัญญาให้เป็นวิปัสสนาขึ้นมาได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีเวลาอย่างต่อเนื่องเย่ีงน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนคือวันพระนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงกำหนดให้พุทธบริษัทให้หยุดการทำงานภารกิจทางโลกภารกิจ ภารกิจการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาให้กับภารกิจในการจำกัดกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติเต็มรูปแบบเต็มร้อยโดยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ไปทำภารกิจอย่างอืง่น ไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่ตางๆไม่ไปร่วมหลับนอนกับแฟนเป็นต้นภารกิจเหล่านี้มันไม่ได้ทําให้ความทุกขปวดไปแต่กลับจะสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจึงจำเป็นที่จะต้องลดภารกิจที่สร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วมาเพิ่ม ภารกิจที่จะทำให้ความทุกข์ภายในใจหมดสิ้นไปเบือ้องต้นต้องถือศีลแปดกันก่อนศีลแปดนี่ก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือศินห้าศินคือละเว้นการกระทำบาสมีอยู่สี่ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดปด ไม่ดื่มของมึนเมาอันนี้เรียกว่าเป็นการละเว้นการกระทำบาปส่วนอีกสี่ข้อนี้เป็นเรื่องเนคขมมะคือการลดเว้นการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกิ่นดในรูปแบบต่างๆเช่นการร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีหรือภรรยาก็ ก็จะมาถือศีลพรหมจรรย์แทนอบรัมจริยาเวรามเนจะถือศีลของพรหมพรหมไม่หาความสุขจากการเสกกลางแต่จะหาความสุขจากการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดสมาธิให้เกิดอุบเบกขาขึ้นมานี้คือข้อที่หนึ่งของในขมะ เนคขมมะแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผงพ้ะหรือทางการมาลข้อที่สองของเนคขมมะก็คือการไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆตามความอยากเพราะถ้าถาดื่มรับประทานตามความอยากจะดื่มได้ทั้งวันจะกินได้ทั้งวัน แล้วก็จะทําทให้เป็นนิวรต่อการบําเพ็ญภาวนาโดยจะทําทให้เกิดความเกียดการเกิดความอยากจะนอนม่วงเหงาเหงานอนเป็นต้นนั่งสมาธิก็จะนั่งสงบปประงกดต้องงดการดื่มการรับประทานอาหารตามความอยากแต่ให้ดื่มตามให้ดื่มให้รับประทานตามความ จำเป็นด้ความต้องการของร่างกายเพื่อเลี้ยงให้ร่างกายอยู่ได้ไปอีกวันหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความหิว<ม>ดับความหิวที่เกิดจากการไม่ได้รับประทานอาหารก็<ม>ให้รับประทานได้ไม่เกินเที่ยงวันอาจจะรับประทานสองครั้งก็ได้เช้าครั้งกลางวันครั้งหรือถ้าอยากจะเข้ม เข้มคนมากขึ้นก็รับประทานครั้งเดียวเหมือนกับพระทุดงพระทุดงนี้ท่านมีข้อทุดงขวัดอยู่ข้อหนึ่งคือฉันมือเดียวไปบินทบาตก็ับมาเสร็จก็เอาอาหารนี่มาแบ่งกันแจกกันแล้วก็ฉันกันฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาศเก็บบาทแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการฉันอาหารอีกต่อไป ยุ่งฉันเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่มีรูปเสียงกลิ่นรดเพ ร, รูปเสียงกลิ่นรดของอาหารก็ดีของเครื่องดื่มก็ดีรวนเป็นกามามรมรวมเป็นตัวกระทุ่นให้เกิดกามาตันหารวนเป็นการเสกกามถ้าถือเน่คัมมะอย่างเคร่งครัดก็จะไม่เสกรูปเสียงกลิ่นรดของแม้จากเครื่องดืม่มจะดื่มแต่เครื่องดื่มที่ จำเป็นต่อร่างกายเช่นน้ำเปล่ า, ล า, ลาหรือถ้าเป็นยายาน้ําชนิดต่างๆอันนี้ก็ดื่มเพื่อรักษาร่างกายได้แต่ไม่ได้ดื่มเพื่อให้เกิดความสุขจากการได้เสียรูปเสียงกลิ่นรสขอ ง, ขงเครื่องดืม่มต่างๆนี่คือฉันมือเดียวหรือกินดื่อเดียวหลังจากเที่วันไปแล้วก็จบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอีกต่อไป ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆยกเว้นที่เป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าเจ็บไข้ได้ปวดก็ถ้ามีโรคไอก็ดื่มยาแก้ไอนี่เป็นต้นแต่จะไม่ไม่ดื่มเพื่อความสุขมียาอยู่ห้าชนิดที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้ที่สือศีแบลนด์ดฉันมือเดียวนี้ รับประทานได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเรียกว่าเพษัชห้าห้าห้าชนิดด้วยกันได้แก่น้นนำน้ำอ้อยหรือน้ำตาลเน่ยหนึ่งน้ำผึ้งสองน้ำมันสามเนยข้นเนยใสยสี่และห้านี่เป็นยาที่เรียกเพสัชที่อนุ ญ, ญาตให้พูดที่ถือศีลแปดหรือ พระที่ฉันมือเดียวถือธุดงค์ัาวนี้อนุญาตได้ถ้ามีโรคภัยอาจจะเป็นโรคทางกระเพาะอาหารก็กินพวกนี้ก็อาจจะช่วยบรรเทาได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วจริงๆก็อย่าไปกินมันดีกว่าเพราะมันอาจจะเป็นกีเลส ข, ขึ้นมาได้ ถ้าเป็นกิเลสนันก็จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วขัดขวางการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อให้จิตใจได้มีความสุขจากการเจริญภาวนาทำจิตใจใ ห, ให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ก็ข้อที่สองของเนครคมะก็คือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วและเครื่องดื่มต่างๆ ข้อที่สามก็คือไม่หาความสุขจากการดูการฟังมหรสยบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร้องรำทำเพลงไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆไม่ไปงานที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าจำเป็นจริงๆถ้าจะต้องไปก็ไปงานศพนี้ก็้ก็ไปได้แต่ถ้าเลียเ่ยงได้ในวันพระวันที่เราปฏิบัตินี้ก็ อยออกไปยาวจากนอกสถานที่ที่เราอยู่เพื่อการปฏิบัติทำเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านก็ดีแรืวอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติทำตามวัดต่างๆก็ดีที่มีความสงบที่เป็นที่สงบสงัดวิเวกที่เอื้อต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนากวรจะขังตัวเองไว้ในสถานที่เหล่านั้นในวันในวันพระในวันที่ปฏิบัติ งานทางโลกก็ยกเว้นถ้ามันไม่สุดมันไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปนะถ้ามันจำเป็นจริงๆเสียไม่ได้ต้องไปก็นะก็ต้องมาชดเชยนะถ้าจะวันนี้จะไปไปงานสบไปงานอะไรที่จำเป็นนะก็อาจจะต้องกลับมาปฏิบัติธรรมในวันพรุ่งนี้แทนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะมีข้ออ้างอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมีงานนั้นเดี๋ยวมีงานนี้ กิเลสมันชอบหาช่องออกการไปงานต่างๆมันก็ไปการไปเปิดหูเปิดตาไปในทั่วด้วยได้ไปดูได้ได้ไปเห็นได้ไปยินได้ฟังอะไรต่างๆมันก็ทําให้เกิดการเพิดเผย อ, อารมณ์ขึ้นมาชื่วกล่าวแต่มันจะกลายเป็นอุปสรรคเวลากลับมาจะมานั่งสมาธินี้มันจะนั่งได้ยากเพราะสัญญาอารมณ์คือ ความจำจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ไปเสพสัมผัสมามัน ย, ยังค้างๆอยู่ในใจมันจะทำให้ทาให้ใจนิ่งให้สงบได้ยากขึ้นดังนั้นถ้าไ ม, ไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปสังคมพนะพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปเปกวิเวกหาที่สงบสงัดอยู่ตามลำพังถ้าต้องเกี่ยวข้องกันก็นกอย่า อย่าสังคมกันถ้าเกิดมีต้องไปอยู่ที่วัดแล้วต้องมาทำภารกิจร่วมกันเช่นมารับประทานอาหารหรือมาปฏิบัติธรรมผังเทศฟังธรรมไหว้พระสวนมนตนั่งสมาธิก็ต่างฝ่ายก็ต่างทำหน้าที่ของตอนไปไม่ให้มาสังสรรค์กันไม่ให้มาพูดคุยกันต่างคนต่างสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายสารวมกายวาจา ให้อยู่ในความสงบให้มีสติคอยกำกับใจไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วข้อที่อีกข้อหนึ่งของข้อที่สี่ในขมมะก็คือข้อที่สามของในขมมะก็คือไม่เสริมสวยความงามของร่างกายเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องเสริมสวยความเสริมสวยของร่างกายนี้มันไม่ได้ทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่มันกลับทําให้เสียเวลากับการที่จะต้องมาคอยเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่ร่างกายเริ่มแก่ลงไปเรื่อยๆความสวยความงามของร่างกายก็จะลด น, น้อยถอยลงไปตามลําดับก็จะเกิดความทุกข์ใจถ้าไปยึดติดกับความสวยความงามของร่างกายแล้วก็ที่สี่ของเนคขมมากก็คือ ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปให้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายวันหนึ่งก็ต้องการที่จะพักผ่อนอย่างน้อยสี่สี่ห้าชั่วโมงด้วยกันวิธีที่จะทาให้ไม่นอนมากเกินสี่ห้าชั่วโมงก็นอนบนพื้นแข็งๆปูผ้าหรือปูเสือ่ออย่าบนนอนบนพื้นที่มีฟูกหนาๆเตียงที่มีฟูกหนาๆที่เรียกว่าเตียงสําราน นอนแล้วมันแสนจะสุขแสนจะสบายแล้วจะทําให้อยากนอนมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายปกติร่างกายถ้าเหนื่อยเมื่อยแล้วเ่วงนอนพอได้หลับนอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆที่มีความสุขความสบายมากๆอใจก็จะไม่อยากจะลุกใจก็อยากจะนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมง แต่ถ้านอนมันพื้ น, นแข็งๆนี้มันไม่สบายพอร่างกายได้พักพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิแทนไหว้พระสวดมนต์มาปฏิบัติตามแทนต่อไปจ น, นกวาจะหมดเวลาของวันพระคือวันพรุ่งนี้ตอนหกโมกว่าตอนที่พระทิดขึ้น ถรงเเป็นหมดเขตของของวันพระหนึ่งวันกันหนึ่งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมง น, นี่คือศีลที่จะต้องปฏิบัติในวันนี้ถ้าอยากจะปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเต็มรูปแบบต้องมีการใช้ศีลเป็นเครื่องช่วยป้องกันไม่ให้กิเลสมาดึงใจให้ไปเสียเวลากับการเสพความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ความเป็นความสุขชั่วคราวเป็นทุกความสุขที่ต้องคอยเติมคอยหามาอยู่เรื่อยๆแล้ววันใดวันหนึ่งถ้าไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้วันนั้นก็จะกลายเป็นวันทุกข์ทรมานใจเช่นช่วงที่ร่างกายแก่ลงไปเรื่อยๆเจ็บไข้ได้ป่วหรือช่วงที่ร่างกายจะตายก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ใ น, นการหาความสุขตัดรูปเสียงกลิ่นลดได้เมื่อไม่มีความสุขใจก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจถ้าไม่ไม่เสพมีวิธีเสพคือเสพความสงบทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบได้ก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะแก่ไม่แก่ก็ตามจะเจ็บไข้หรือไม่เจ็บไข้ก็ตามจะตายหรือไม่ตายก็ตาม ใจสามารถมีความสุขได้ด้วยวิธีของการเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบกระทังใครสามารถฝึกสติจนทั่งทําจิตให้สงบเข้าฌานได้เข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบได้อุเบกขาสักแต่ว่ารู้วางเฉยมีความสุขจากการอยู่เฉยๆได้ เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาตั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่จะตายไปหรือหลังจากที่ตายไปใจที่มีสมาธิก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกต่อไปอย่าอย่าสายความสุขที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะร่างกายเป็นของไม่เที่ยง เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าสายร่างกายเวลาที่ใช้ร่างกายไม่ได้เวลานั้นก็จะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรให้ความสุขก็จะอยู่แบบหิวโหยอยู่แบบทุกข์ทรมานใจแล้วก็จะทำให้หลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไป ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าตามใดยังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอยู่ก็ยังเป็นที่จะต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยเพราะร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีมันก็ต้องตายไปพอมันตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจที่มีความอยากที่จะเสพลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องไปรอไปรับร่างกายอันใหม่และก่อนที่จะไปรั บ, ร, บร่างกายอันใหม่ก็จะอยู่เป็นดวงวิญญาณรับผลบุญผล บ, ญ บ, ญ บ, ญบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยถ้าได้ทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าทำบาปไว้มากกว่าทำบุญดวงวิญญาณก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขก็จะอยู่ในอบายสี่ที่ด้วยกันอาจจะไม่เกิดเป็นเดรฉานหรืออยู่เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรตดวงวิญญาณที่มีความหวาดกลัวเรียกว่าสูลกายดวงวิญญาณที่มีความมาคาดพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมก็จะอยู่ในนรก นี่คือสิ่งที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพระอาจารย์จึงต้องสอนให้พวกเราระมัดระวังในเรื่องการกระทําบาปให้มาถือศีลอย่นี้ศีลห้าศีลแปดศีลห้าขึ้นไปถ้าเรารักษาศีลห้าศีลแปดได้เราก็จะไม่ได้ทําบาปกันเมื่อเราไม่ได้ทําบาปเอแล้วเราทําแต่บุญ ใดของเราก็จะมีบูลสะสมุูใ่ใจมากกว่าบาปมูลก็มีสองอย่างมูลที่ก็จา ก, การทำบุญทำบุญททานแบ่งปันเสียสละข้าวของเงินทองที่เป็นส่วนเกินที่เราไม่ต้องอาศัยไม่ต้องเก็บมาไว้ที่เราไม่เดือดร้อน เ, อเก็บไว้เฉยๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เอาทรัพย์สินส่วนนี้ไปทำบุญทำทาน ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือวัดวารามโรงเรียนโรงพยาบาลหรือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็จะได้สร้างบุญสร้างกุศลถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ยุติการเกิดได้อย่างน้อยเวลาตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ แล้วเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีบุญบรารมีติดตัวมามาเกิดบั่งคัง่งร่ำรวยมีน่างกายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานอาการครบสามสิบสองรูปล่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นต้นนี่ เคือบุญที่เราควรจะกระทาด้วยถ้าเรามีโอกาสถ้าวันนี้ไม่มีโอกาสก็รอวันละวันหนึ่งก็ได้ถ้าวันนี้เราอยากจะชุ่มเตให้กับการตัดภพตัดชาตินิติการเวียนว่าตายเกิดต้องการสร้างความสุขจากความสงบเอเราก็เรื่องทาบุญนี้เราไว้ก่อนรอไว้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะการทําบุญมันง่ายใส่บาตรจบก็เสร็จแล้ว หรือเบยจากเงินผ่านทางธนาคารก็ได้ <c oughs> เอาแต่งานที่มันยากงานที่ต้องมีใช้เวลามากก็คืองานภาวนางานสักพอกจิตใจกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจแล้วก็เป็นเหตุที่พาให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆงานนี้สําคัญกว่า อันนี้ต้องทําด้วยกันมีเวลามีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะว่าการเจริญสตินี้จำเป็นที่จะต้องไม่มีใครมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องที่ต้องคิดต้องพูดกันต้องทําอะไรกันแทนที่จะทําทให้ใจนิ่งๆไม่คิดไม่พูดไม่ทําอะไรก็ทําไม่ได้ มันต้องพยายามอยู่คนเดียววันพระที่เราอยากจะปฏิบัติเต็มรูปแบบนี้อยู่คนเดียวจเจริญสติเบื<ม>้องต้นงานแรกต้องทำก็คือจเจริญสติเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแต่แต่เช้าวันนี้เลยเอตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้เราจะปฏิบัติกิจตภาวนาด้วยการจเจริญสติเป็นขั้นที่หนึ่งให้ควบคุมความคิดให้ได้ไม่ให้ใจคิดเลื่อยเปย ไม่ใจลอยไปกับความคิดต่างๆให้ยูุให้จิตรู้อยู่เฉยๆจิตนี้สามารถมีทั้งรู้ได้และคิดได้ถึ่ที่เราต้องการให้จิตทำอย่างเดียวก็ให้รู้เฉยๆแต่ไม่ให้คิดอะไรรู้ว่าเรากำลังทำอะไรรู้ได้อยู่รู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ากำลังนั่งรู้ว่ากำลังยืนแต่ไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น เพื่อหยุดความคิดให้ได้เพื่อเวลาที่จะมานั่งสมาธิใจจะได้นิ่งสงบเข้าฌานได้เข้าสู่เบคคาได้เข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการหยุดคิดปรุงแต่งของใจนี่เองอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเจเตตริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาให้ใจนิ่งให้สงบ พอใจนิ่งใจสงบแล้วใจจะมีความสุขในตัวเองความโลภความอยากต่างๆก็จะหยุดทำ ง, งานชั่วคราวในขณะที่ใจสงบใจก็ยังไม่รู้สึกหิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภะอยู่เฉยๆอยู่ตามลำพังอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไรก็มีความสุขได้จะไม่รู้สึกเหงาว้าเวแต่อย่างใดคนที่มีความสงบแล้วนี่อยู่คนเดียว ไม่เหงาไม่ว่าเวกับชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่หลายๆคนพออยู่กันหลายๆคนแล้วกับมีแต่เรื่องวุ่นวายให้มาต้องคิดต้องอะไรอยู่เรื่อยๆพออยู่คนเดียวแล้วไม่มีอะไรมารบกวนใจ <c oughs> แต่ถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบจะอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะความอยากมันยังไม่มันไม่สงบความอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเสพ ร, รูปเสีย ง, งกินรด อยากอ ย, อยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้มันจะจะทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าปฏิบัติใต้็นอยู่คนเดียวปฏิบัตินี้ต้องเข้มข้นกับการเจริญสติคอยควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้คิดถ้าคิดเดี๋ยวก็จะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้พอคิดแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะพ บ, บเขา พอไม่ได้อยู่ใกล้แล้วไม่ได้พบก็จะเกิดความรู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมาแต่าถ้าทําใจให้สงบไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ให้รู้เฉยๆได้ใจจะไม่รู้สึกเศร้าซ้อยหงอเหงาใจจะมีความสุขอยู่กับการอยู่คนเดียวกับการอยู่กับความว่างอันนี้แหละเป็นผลที่เราจะได้จากการจเจริญสตินั่งสมาธิให้ใจสงบให้นิ่งให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้คิดอะไร แต่ความสงบของสมาธิก็จะสงบได้ชั่วคราวเดี๋ยวกำลังของสติหมดลงใจก็จะเริ่มคิดใหม่พอจากสมาธิเราก็ต้องจเจริญสติต่อให้ใจไม่ให้คิดเหมือนเหมือนตอนต้นควบคุมใจทั้งวันทั้งคืนด้วยสติไปก่อนให้อยู่ในความสงบไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหรือทำอะไรก็ให้มีสติคอยกำกับใจไม่ให้คิดไปเรื่อยๆก่อน กากล่าเราจะชำนานสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องอโดยโดยกากับใจไม่ให้คิดปรุงแต่งได้ขั้นต่อไปถ้าเกิดเราเผลอขึ้นมาแล้วใจคิดถึงคนนั้นคนนี้อยากจะพบอยากจะเจอเขา่าวด้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนก็ดีสิ่งของต่างๆก็ดีล้วนเป็นอนิจจ์นั่นเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องทุกข์กับเขาถ้าเราคิดถึงเขาเราก็อยา ก, อยากจะอยู่ใกล้เขาพอได้อยู่ใกล้เขาก็มีความสุขแต่เดี๋ยวพอเวลาที่เขาจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าให้เราทุกข์ขึ้นมาได้พิจารณาสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้อยากจะอยู่ใกล้อยากจะมีเป็นของเรานี้ให้คิดว่ามันเป็นของชั่วขา่าวเวลาเขาจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจย นี่คือขั้นปัญญาต่อไปหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิาใจเกิดความอยากใจใจเกิดความโลภขึ้นมาก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นวนะ่าสิ่งที่โลภที่อยากล้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่า น, นล้นเป็นทุกทุกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของของเราเราไม่สามารถเก็บให้อยู่กับเราไปได้ตลอดอันนี้เป็นขั้นที่สองคือขั้นปัญญาเพื่อกําจัดความอยาก เมื่อกำจัดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปแล้วต่อไปใจก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจอีกต่อไปนี่คือภารกิจที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามาดําเนินมาปฏิบัติกันในวันพระหรือให้ปฏิบัติเต็มรูปแบบทั้งวันทั้งคืนหนึ่งวันกับหนึ่งคืนถึงจะได้ผลถ้าทําเพียงเวละเล็กเวละน้อย นั่งสมาธิวนะันละสิบห้านาทีอย่างนี้มันยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายแต่ถ้าได้เดินโยงกลมนั่งสมาธิทั้งวันเจริญสติทั้งวันสลับกับการนั่งสมาธิเดี๋ยวใจก็ต้องนิ่งใจก็ต้องสงบได้ น, นี่ก็เรื่องของภารกิจในวันพระที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้กับสาธุชนผู้ปราบันาความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้นํเอาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทุกๆวันพระทําทไปเรื่อยๆแล้วพอได้ผลดีก็อยากจะเพิ่มวันพระขึ้นเป็นสองวันอาทิตย์ละสองวันบ้างสามวันบ้างถ้าได้ผลดียิ่งขึ้นไปในที่สุดก็อยากจะเป็นวันพระทุกวันก็จะไปบวชได้ถ้าบวชแล้วรับประกรันได้ภายในเจ็วันเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดปีก็ต้องบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่ น, นอนตามที่มูะเจ้าได้ทรงทํานายไว้ นี่ก็คือเรื่องของธรรมที่อามาฝากท่านในวันนี้ในวันพระก็พอสมควรแก่เวลาท่านต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันคือมานั่งสมาธิทาใจให้นิ่งให้สงบเรียกว่าสมัติภาวนาทาใจให้มีความสุขจากความสงบเพื่อเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราจะได้ไม่รู้สึกเศร้าสร้อยหงอยหเหงาเวลาเรารู้สึกเศร้าส่้อยหงอยหเหงาเราก็นั่งสมาธิกันไป พอจิตสงบแล้วความเศร้าก็จะหายไปไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราหาความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่ดีที่สุดเป็นความสุขที่ไม่มีโทษไม่มีภัยต่อจิตใจมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เพียงอย่างเดียวการที่จะทำใจให้สงบได้เวลานั่งก็ต้องมีสติและเลึกรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่จะกล่อมใจให้สงบเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธ เหลือการสวดมนต์หรือการดูลมหายใจเข้าออกเป็นตน้นมีหลายชนิดด้วยกันกรรมฐานที่สามารถถาท่านเคยใช้อารมณ์แบบไหนกรรมฐานแบบไหนแล้วทําทให้จิตสงบได้ก็ใช้อารมณ์แบบนั้นได้บางคนใช้สัมมาอะระหังบางคนใช้ยุบหนอพองหนอบางคนใช้โมณานุสติแล้เลิกถึงความตายบางคนดูอาการส2ของร่างกาย หืออาการใดาอาการหนึ่งแพ่งดูโคมกระดูกเป็นต้นก็สามารถใช้อารมณ์เหล่านี้มาเป็นเครื่องกล่อมใจได้แต่เวลานั่งอย่านั่งเฉยๆต้องมีอะไรผูกใจเอาสติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้หยุดความคิดเมื่อหยุดความคิดแล้วใจก็จะสงบมีความสุขในขณะที่นั่งถ้ามีอาการอะไรผล่ขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆ ยังกว่าใจยันิง่งใจสงบใจเกิดความสุขขึ้นมาแล้วไม่ต้องทําอะไรก็รไม่ต้องใช้กรรมฐานกรรมฐานเปนเหมือนขั้นบันไดที่พาเราขึ้นไปสู่ชั้นต่างๆที่เราต้องการขึ้นไปพอราถึงชั้นที่เราต้องการขึ้นไปแล้วเราก็ไม่ต้องยืนอยู่ที่บนบันไดต่อไปอเราก็ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมไม่ต้องสวดมนต์ถ้าใจนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้มีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ ก็จะรู้เองว่าไม่ต้องทำอะไรก็อยากจะให้มันสงบไปนานๆก็คอยควบคุมรักษาใจอย่าให้คิดถ้าใจคิดเมื่อไหร่ก็พยายามหยุดมันด้วยสติต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาปฏิบัติกันอีกประมาณทั้งยี่สิบห้านาทียี่สิบหกนาทีด้วยกันอตอนนี้ เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสบายสงบไหมถ้าสงบก็ให้จำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เพื่อคราวหน้าเวลามานั่งก็จะสามารถนั่งให้สงบได้อีกอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทำให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่ทำให้มันสงบที่เราต้องจดจำเอาไว้ใ้คราวนี้ถ้านั่งยังไม่สงบ ก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยหมั่นเจริญสติระหว่างวันให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิให้มีพุทโธพุทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆหรือคอยเฝ้าดูว่าร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วต่อไปสติก็จะมีมากขึ้นแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะนิ่งก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริววะปูราปริกปุริติสากหลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกปติอิช um ิตังปทิตังตุหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปุเริตุสังคปาจันโทปนะราสยะถามณีโชติ อาราโสยะาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพโรโคินัสสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิริตสานิจัวุทธะปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวันโอสุขัง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 วันนี้มีผู้รับฟังทาง f a c e b ๊ o สองร้อยห้าท่าน y o u t u พระสุ YouTube, าชาติไลฟ์สองร้อยสี่สิบหกท่าน YouTube ดรวเจ็ดสิบท่านวิท ย, อยุออนไลน์สิบท่านค l u b เท้าสี่ท่านนาคุติร้อยเจ็ดสิบแปดท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสิบสามท่านครับอาจารย์ถามได้เลยคำถามจากทางนาคุติคะ่ะ สอบถามพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้มีการรบกันและมีทหารปกป้องประเทศชาติและมีการยิงฆ่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามแบบนี้ทหารจะบาปไหมคะและถ้าเราเชียร์ให้ฆ่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามเราจะบาปด้วยไหมคะถ้าฆ่าก็บาปถ้าเชียร์ยังไม่บาปแต่ก็ไม่ควรเพราะว่ามันแสดงความขาดไม่ขาดเมตตา แสดงความโหดร้ายทารุณของจิตใจเราต้องการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีเมตตาปราศจากความโหดร้ายทารุณเพราะจิตที่สูงนั้นจะมีความสุขมากขึ้ น, นฉะนั้นเป็นเรื่องของโลกโลกของคนที่ยังมีกิเลสโลกที่ยังไม่มีธรรมะก็ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการฆ่าฟันกั น, นโดยที่ไม่รู้ว่า การค่าฟันการนี้จะนำมาซึ่งปัญหามากขึ้นกว่าเดิมนำมาซึ่งโทษความทุกข์มากกว่าเดิมแต่ก็เป็นเรื่องของทางโลกที่ทางธรรมก็เข้าใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้นอกจากวางใจให้เป็นโอเวคขา่าว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปใครทำกรรมใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปจากท่านต่อไปค่ะ ขอเรียนถามเจ้าค่ะพระอรหันยังผิดศีลไหมเจ้าค่ะออเดี๋ยวรอให้เป็นก่อนเถอะไม่ต้องกลัวตอนนี้เป็นบุทรชนรักษาศีลให้ได้ก่อน5้าข้อนี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะถามว่าทำบาปอะไรถึงได้เกิดเป็นตัวพยาติเจ้าค่ะอ๋อพระเจ้าบอกว่ากรรมนี่มันของที่ลึกลับทับซ้อนไม่มีใครที่จะมาวินินจฉัยวิเคราะห์ได้โดยละเอียด ให้รู้คร่าวๆก็กันว่าถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ้าหามาแล้วนมมัสการการหลวงพ่อคือเออไ อ, อฟังเทศเจ็ดแเดือนที่ผ่านมาแล้วหนูก็นำไปปฏิบัติแล้วทั่วนี้หนูก็ละสิ่งที่หนูรักได้ แต่ได้แต่หนูขอความเมตตาหลวงพ่อเวลาหนูคิดถึงตัวเองถึงความตายหนูจะแวบทุกครั้งก็คิดว่าไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายเป็นของพ่อแม่ให้กับเรามาเป็นของขวัญเนี่ยเหมือนพ่อแม่ซื้อรถให้เราคันหนึ่งแล้วให้เราใช้รถนี้พาเราไปไหนมาไหนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถคันหนึ่งไม่ใช่ของเราของพ่อแม่ให้เรามา แล้วมัเป็นของไม่เที่ยงวันหนึ่งก็ต้องพังใช่ไหมรถที่พ่อแม่ซื้อให้เรามาเดี๋ยวมันเราขับไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็พังซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งมันไปแต่เราไม่ได้เราเป็นคนขับคนใช้รถใช้ร่างกายเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันค่ะแล้ ว, แ, ลว <c oughs> แสดงว่าทุกครั้งที่หนูนั่งสมาธิหรืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นไหนก็ช่างถึงขั้นไหนก็ช่าง คือหนูต้องเจริญสติเรื่องนี้ใช่ไหมสิ่งที่หนูกําลังกลัวถ้ากลัวก็บอกไม่ใช่ตัวเรากลัวทําไมคือคือใช้อย่างนี้พูดกับตัวเองใช่ไมครัไม่ใช่ของกลัวพูดแบบนี้กับตัวเองใช่ไหมคะหลวเราหลงไงเราเป็นหลงเิด่าเป็นของเราอเราก็ต้องแก้ความหลงด้วยการบอกความจริงเหมือนเหมือนเราไปไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาลูกคนผิดมาให้เราไงแล้วก็มาแจ้งบอกเราทีหลังนี้แล้วเราจะรู้สึกยังไง เราก็ต้องบอกให้มันไม่ใช่ลูกของูคุณเองใช่ไหมเราไปทุกข์กับมันเองอเราไปลงไปคิดว่าเป็นลูกของเราจริงไม่ใช่ลูกของเราเราลูกของคนอื่น่คะแต่เขาหยิบผิดมาให้เราออ่คะันนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็ไม่ใ่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นของพ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เรา<อ>แล้วมันก็ต้องแก่เจ็บตายโดยธรรมชาติของมัน เราก็ถ้ามันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้่คะแต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเจ้าค่ะหลวงพ่อจะให้เห็นชัดๆว่าตัวตัวเรากับร่างกายมันไม่ใช่คนเดียวกันก็ต้องนั่งสมาธิจ้พอจิตสงบใจก็จะแยกออกจากร่างกายเจ้าค่ะเพราะนั้นใจตอนที่ใจสงบร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนเจ่าค่ะร่างกายจะเจ็บยังไงก็ใจก็เฉยๆได้เจ้าค่ะหลวงพ่อฉะนั้นต้องฝึกสมาธิเยอะๆ เป็นยุได้เห็นได้ชัดเจนแลก็จะปล่อยวางได้ตอนนี้ก็เพียงแต่คอยท่ามใจเตือนใจไม่ให้ไปหลงมากเกินไปเท่านั้นอ๋อสาธุเจ้าค่ะแต่มันยังจะไม่ขาดเจ้าค่ะถ้าอยามันขาดนี่ต้องฝึกนั่งสมาธิให้จิตสงบให้จิตแยกออกจากร่างกายได้แล้วตอนนั้นน่ะมันก็จะเห็นอย่างชัดเจนเจ้าค่ะแล้วมันจะเห็นว่าการไปยึดติดร่างกายนี้ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดอย่าไปเถือว่าอนตัวเราของเรา เท่าค้าหลวงพ่อกราบขอเจ้าค่ะสาธุอย่าแม้แต่ตัวเราร่างกายของเราเลยของพ่อของแม่เรายังปล่อยไม่ได้ไงยยังทุกข์กับเขาเลยท่านั้นได้รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเราก็ยังไปทุกข์กับเขาทุกข์เพราะความอยากอยากไม่ให้เขาตายอยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่เราทําได้หรือเปล่านะทําไม่ได้เมื่อเท่าจะไปก็ต้องให้ปล่อยให้เขาไปแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ คำถามจากคุณทัศนีนะคะกราบนามสการค่ะจิตเห็นจิตเป็นมรคมีอาการอย่างใดเจ้าค้ะกราบขอบพระคุณค่ะ อ, อ๋อยังไกลตอนนี้ฝึกรักษาศีนให้ได้ก่อนนั่งสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปจิตเห็นจิตนะอันนี้พูดไปก็ไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีคำถามค่ะ กับนมันส ก, การพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็ขอโอกาสในการถามคำถามนะครับพอดีปกติครับจ ะ, ะภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิก็จะสงบดีครับรอาจารย์แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ทางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีครับเราก็เลยเหมือนกับพยายามไปหาความรู้หาอะไรครับแลพอหาความรู้ปุ๊บมันก็เริ่มฟุง้งซ่าน เริ่มหลงหนู่นหลงนี่ครับก็เลยอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าทํายังไงให้สามารถปฏิพัติธรรมได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงแบบทํางานได้ดีขึ้นตามนู่นตามนี้ได้ดีได้ได้ปกติอะครับเออมันไปด้วยกันไม่ได้หรอทางโลกกับทางธรรมถ้าอยากจะไปทางธรรมก็ต้องลดการกระทาทางโลกให้น้อยลงถ้าถ้าไม่ลดน้อยลงมันก็ไปไม่ได้ทางธรรมเพราะทางโลกมันจะดึงเอาไว้ครับ ก็ครับแต่อาจจะว่าเป็นเป็นห่วงพระอาจารย์ว่ากลัวางานเหมือนจะทำได้ไม่ดีก็ไม่ต้องกังวลเราทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พ อ, รอเราอย่าไปทําเพื่อเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปเดินไปหาความสุขต่างๆเราทํางานหาเงินเพื่อปัจจัยสี่ก็พอพอเรามีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่ในบ้านอยู่มียารักษาโรคเราก็พอแล้วนะทำแค่ น, นี้ก็พอไม่ต้องทไปมากมาย ตายไปก็เาไปไม่ได้ถ้เาเวลามาทําทางทำดีกว่าครับ<ะ>ต้องรู้จักบ้างน้อยสันโดษพระเจ้าในปัจจัยสี่ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพนี้เอาแค่พออยู่พอกินก็พอมากเกินไปตายไปก็เาไปไม่ได้แล้วเป็นการมาสร้างปัญหาให้กับการปฏิบัติเพราะว่ามันจะขัดขวางการปฏิบัติใช่ครับถ้ามันต้องการเงินมันก็ต้องคิดหาช่องหาเงินหาทองคิดอยู่นั่น ยิ่งคก็ยิ่งยิ่งไม่สงบอ<ะ>ยากให้ใจสงบมีความสุขต้องหยุดคิดให้ได้ต้องมีวันพระนะวันพระต้องหยุดทํางานหยุดเกี่ยวกับเรื่องทางโลกเรื่องการทํามาหากินเอาเวลามาฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบเอ<ะ>าความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันมีคุณค่ามากกว่าความสุขที่ได้จากเงินทองหรือถ้าเจ็บไม่ขอขอ ขออนุญาตนะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราเราพอที่จะศึกษาได้แต่ว่าพยายามกําหนดสติก่อนว่าจะศึกษาแค่ไหนแล้วก็พยายามเอาแค่นั้นเราก็ไม่เหมือนแล้วก็กลับมาภาวนาเหมือนเดิมพอจะได้เลยครับก็แล้วแต่เราเราต้องการทางโลกมางนะเท่ า, าไหร่เราก็กำหนดเองได้รเราจะเรียนระดับเป็น ญ, ญาตีโทเอกก็ได้แล้วแต่เราถ้าเราตีพอแล้วเราก็ไม่ต้องเรียนต่อก็ได้ด เงินเดือนแค่นี้ก็พอแล้วไม่ไม่ต้องการเพิ่มเขาไม่เลื่อนตำแหน่งให้เพราะเราไม่มีความรู้เพิ่มเติมก็ไม่เป็นไรก็อเอาตำแหน่งเดิมนี้ไปเราทํางานเพื่อเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่องานนะบางคนอยู่เพื่องานอยู่เพื่อทํางานเยอะๆจะได้เงินเยอะๆแต่ทางศาสนากราบอกเราเราทำงานเพื่ออยู่ทำเพิ่มทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเราก็พอเราเอาเวลามาปฏิบัติธรรมจะดีกว่า รเรากำหนดเองได้ไม่มีใครบังคับเราเนี่ยเราจะไปทางโลกเท่าไหร่ก็ได้ไปทางธรรมเท่าไหร่ก็ได้เราเป็นคนตัดสินใจเอาเองว่าทางไหนดีกว่ากันโอเค <Okay. S 3> มีคำถามจากทางอินบ็อกซ์นะคะ พระอาจารย์คะคุณแม่อายุ85ปี7เดือนเพิ่งเพิ่งเสียไปคะ่ะหลับไปลูกทุกใจมากคิดถึงร้องไห้ทุกวันพระอาจารย์มีคำสอนลูกไหมคะให้ลูกเดินหน้าต่อไปได้คะ่ะผู้เจ้าสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยว่าเรามีการพาดพลาดจากการเป็นธรรมดาออต้องอยู่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะแม่พ่อก็ดีพี่น้องก็ดีใครใก็ดี วันหนึ่งก็เราก็ต้องจากกันไปกันเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราไม่อยากจะเศร้าก็อย่าไปคิดถึงเขาแล้วกันคิดแล้วมันทำให้เราเศร้าก็อย่าไปคิดให้เสียเวลาความเศร้าของเราเกิดจากความคิดของเราเองคิดแล้วก็อยากให้เขาอยู่กับเราอยากอยู่ใกล้เขาอีแต่เราต้องมองความจริงความจริงก็คือมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไม่ได้แล้วความจริงก็คือแม่หายไปแล้วจบแล้วถ้าเป็นหนังก็จบไปแล้ว หนังยังดีหนังยังดูไหวดูซ้ำได้แต่หนังชีวิตนี้ดูซ้ำไม่ได้ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยจากคุณอุทัยวงศ์นะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ทำสมาธิบางวันสงบดีบางวันไม่สงบครับขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับจะสงบไม่สงบนี่อยู่ที่สติเป็นหลักถ้าสติดีจิตก็จะสงบถ้าสติไม่ดีจิตก็จะไม่สงบ บางวันเราก็สติดีบางวันเราก็สติไม่ดีทั้งเผอคิดมากบางวันสติดีไม่ค่อยคิดอะไระงั้นต้องคอยดูใช้สติคอยสร้างสติให้มันมีกำลังมากมากก่อนที่เราจะมานั่งให้คิดให้น้อยให้มีสติให้มากให้รู้ให้รู้เฉยเฉยรู้แต่ไม่ให้คิดอะไรคุณธนพงศ์ถามพระอาจารย์ว่า กลับ น, นมาสักการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เริ่มอุปสมบทเมื่อไหร่ครับอไปอ่านหนังสือประวัติของเราก็ได้นะไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้มีมีอยู่ถามเรื่องที่มันที่เราค้นหาอีกไม่ได้ยจงดีกว่ายังไม่มีไม่มีคําถามาอะไรนะอหาประจําวันนี้จะเข้ามาหรือเปล่า okay. ไม่มีเดี๋ยวรอทักปั๊บหนึ่งอาจจะกาลังพิมพ์ข้อความเข้ามาก็ได้อยากใช้ถามคาถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติจะดีกว่าเรื่องของชาวบ้านชาวช่องไม่ต้องไปสนใจเขาเราเขาจะเกิดเมื่อไหร่เขาจะตายเมื่อไหรนะ่นั้นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือทำอยังไงให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่ทุกข์อันนี้เรื่องที่เราควรจะศึกษาควรจะค้นคว้าหาให้ได้ มันสำคัญกว่าสาคัญกว่าเพราะพะเจ้าเกิดปีไหนตัดทรู้วันไหนอันนี้เป็นความรู้ที่ไม่ได้ทาให้ใจเราดูดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นกังวลกับเรื่องของเราตอนนี้เราทุกข์ทำไงให้เราไม่ทุกข์เนี่ยอย่างนี้น่าจะสงใจกว่ามีจักคุณเกศาค่ะน้อมกราบในมัสการเจ้าค่ะ ลูกอยากถามว่าช่วงนี้ไม่อยากสวดมนเสียงดังแต่อยากนั่งหลับตาดูลมหายใจอยู่นิ่งๆเกิดจากอะไรคะเกิดจาเห็นผลผลมันดีกว่าการสวดเนี่ยการนั่งสมาธินี่มันดีกว่าการสวดการสวดมันไม่สงบเท่ากับการนั่งสมาธิพอใครนั่งสมาธิได้แล้วก็จะไม่ต้องสวดคนที่สวดเพราะว่าเขายังนั่งสมาธิไม่ได้เขาก็เลยต้องอาศัยการสวดมนกลอมใจไปก่อน พอนั่งสมาธิจิตสงบได้ดูลมได้แล้วทีนี้ก็ไม่อยากจะสวดแล้วอยากจะรู้เฉยๆอยากจะดูเฉยๆเพราะการสวด น, นี้ยังใจต้องทำงานต้องคิดต้องคิดถึงบทสวดอยู่มันก็เลยไม่นิ่งไม่สงบเท่าที่ควรแต่ให้ดูลมเฉยๆนี่มันไม่ต้องคิดอะไรให้รู้เฉยๆพอรู้เฉยๆได้ใจก็เย็นใจก็สงบใจก็มีความสุขมากก็เลยไม่อยากจะสวดอยากจะนั่งสมาธิอยากจะดูลมหายใจ คำถามต่อไปค่ะร่างกายมีความเจ็บปวดทําให้ไม่สงบทําอย่างไรดีคะก็ตสติเราน้อยไงไม่สามารถดึงใจออกจากร่างกายได้เราต้องพยายามเจริญสติให้มากๆพอเวลาร่างกายเจ็บปวดก็ดึงใจอย่าไปอยู่กับความเจ็บปวดให้มาอยู่กับความสงบให้มาอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจแทนจากคุณไทเกอร์ค่ะถ้าจะภาวนาพุทโธ แล้วพุโทโธหายไปว่างเฉยๆสงบสุขควรจะปล่อยพุโทโธไปเลยหรือกลับไปพุโทโธหรืออยู่กับความว่างแบบนั้นครับถ้ามันว่างจริงก็อยู่กับความว่างได้แต่ถ้ามันว่างไม่จริงว่างแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คิดใหม่แล้วก็ต้องหยุดความคิดให้ต้องคอยสังเกตดูอยู่เรื่อยๆถ้ามันว่างมันไม่คิดอะไรก็หยุดได้ จากคุณคัททริยานะคะถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงนอนเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมแต่ก็ไม่ได้มีสมาธิมากถือว่าได้ฝึกสติบ้างไหมคะก็ต้องเดินจงกรมไปก่อนเพื่อฝึกสติให้มากขึ้นก่อนเอเวลานั่งแล้วมันสติมันน้อยมันก็จะหลับได้จากท่านต่อไปนะคะขอโอกาสครับบุพการีปวารณาเจ้าอาวาสท่านหนึ่งไว้ แต่ลูกศิษย์ใกล้ชิดที่คอยดูแลหญิงมากแสดงตัวเหมือนใจบุญแต่จริงๆเป็นขอภัยนะคะเป็นเปลดวันๆมีแต่กิเลสการกินและคิดว่าจะทำจะทาอย่างไรจึงจะได้เพิ่มพักพวกเพื่อให้ได้เงินทำบุญวัดตัวเองมากขึ้นแบ่งพักแบ่งพวกเรารู้สึกว่าส ก, กปรกหน้าดังเกียจของจนไม่อยากจะอุปถัมภ์เจ้าวาด ของขอหลวงพ่อช่วยแนะนําด้วยครับก็เขาเป็ น, ปนไปเรายุ่งกับเขาทําไมเหมือนถ้าเป็นกองขยะนี่เราจะไปคุยไปยุ่งกับกองขยะทําไมเราเจอกองขยะเราก็เดินหนีสิมังเหม็ น, นใช่ไหมจะไปเล่นกับกองขยะมันตัวเราก็เหม็นไปด้วยงั้นเจอของเหม็นก็อย่าเข้าใกล้เจอของไม่ดีก็อย่าเข้าหาไปหาของดีๆ จากคุณธนพงศ์นะคะสอบถามพระอาจารย์ครับเคยภาวนาพุทโธอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจนรู้สึกว่าพุทโธเด่นชัดมากไปไหนไม่ลืมพุทโธรู้สึกเย็นเลือกใจมากครับควรพิจารณาออกทางด้านปัญญาเลยไหมครับอ๋อยังต้องนั่งสมาธิให้จิตรวมก่อนให้เป็นอุเบกขาก่อนให้นิ่งสงบแบบนา น, าน แล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาจากคุณโรธนันนะคะนมัส ก, การพระอาจารย์ครับผมมีลูกเจ็ดขวบวันนั้นผมได้สอนลูกเรื่อง อ, อนิจจงพอพูดไปเรื่อยๆเลยพูดความตายเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ลูกเหมือนเศร้าๆเลยครับอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าเรายังไม่ควรสอนลูกเรื่องนี้ตอนนี้หรือไม่ครับก็ต้องดูว่าเขารับได้หรือไม่ ถ้ายังรับไม่ได้ก็เหมือนให้ยาแรงไปก็ต้องต้องลดละลดกําลังยาให้น้อยลงไปตอนนั้นเขามีความเมตตาก่อนดีกว่าให้เขามีความเมตตาให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายพูดก่อนคุณสัญญาค่ะเคยได้ฌานแล้วเสื่อมพอพอมาวันพระเหมือนวิปรราสทําอย่างไรดีครับก็ต้องเอาสติ กลับคืนมาให้ได้เหนุก็คือสติไม่มีถ้ามีสติที่ก็จะได้ฌานกลับมาเหมือนเดิมจากท่านต่อไปค่ะกลับเยนถามครับทำที่พิจารณาในธรร ม, มานุสนาสติปัฏฐานควรต้องพิจารณาอย่างไรครับก็พิจารณากายก่อนแล้วก็พิจารณาเวทนาแล้วก็พิจารณาจิตตามลําดับต่อไป จากท่านต่อไปค่ะการที่เรามาเจอการเป็นกรรมผูกพันที่ทํากันมาหรือเปล่าคะอันนี้ไม่มีใครรู้หรอกมันก็แล้วแต่ม่จจำเป็นจะต้องรู้รู้ว่ามันเจอกันก็แล้วกันถ้าไม่อยากจะเจอกันก็แยกกันอยู่คนละทางกันไปหมดเล้วใช่ไหมโอเคอมีใครอยากจะถามด้วย